พระยตรยปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่เก้าสุดตันตปิฎกกูตะทันตะสูตรสูตรว่าด้วยกูตะทันตะพรา์ซึ่งแปลว่าพรา์ฟันขย ể นพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปในแคว้นมคธพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จแวะพักณบ้านพรา์ชื่อขานุมันตะประทับณอัมพลัตติกา หรือสวนมะม่วงหนุ่มสมัยนั้นกูตะทันตะพราหม์ครอบครองหมู่บ้านพราม์ชื่อขานุมัตตะตึงพระเจ้าพิมพิสารพระราชทานให้อันหนึ่งกูตะทันตะพราม์ตเตรียมประกอบยันยะพิธีเอาโคผู้เจ็ดร้อยลูกโคผู้เจ็ดร้อยลูกโคเมียเจ็ดร้อยพะเจ็ดร้อยแกะเจ็ดร้อยผูกติดไว้กับเสา เพื่อเตรียมบูชายันพรามคฤหบดีชาวคานุมัตตะได้ทราบเรื่องว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาและเป็นผู้มีกิติศัพท์ขจรขะาจาไปว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นก็เดินไปเป็นหมู่ๆเพื่อเฝ้ากุาตะทันตพรามเห็นเข้าข้อนี้เช่นเดียวกับเรื่องโสนนักทันตพรามเขาถามทราบเรื่อง ก็สั่งให้รอตนจะร่วมไปเฝ้าด้วยแต่ถูกพรามที่เดินทางมาเพื่อรับของถวายในมหายันคัดค้านและกูตะทันตะพรามโต้ตอบเช่นเดียวกับเรื่องโสนาทันทัพรามในที่สุดจึงร่วมกันไปเฝ้าทั้งหมดกูตะทันตพรามจึงกราบทูลถามให้ทรงอธิบายถึงยัญยสัมปทาหรือความถึงพร้อมคือสมบูรณ์แห่งยันสามประการ อันมีส่วนประกอบหรือบริขาร16อย่างพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าถึงพระเจ้ามหาวิชิตะในอดีตการผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์ได้ชัยชนะปัตตพีมนฑลอันยิ่งใหญ่กลรจะบูชามหายันเพื่อประโยชน์และความสุขจึงตรัสเรียกพรามปุโรหิตมาให้ช่วยสอนวิธีบูชามหายันนั้นพรามปุโรหิตแนะให้ปราบโจลผู้ร้ายก่อน แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีฆ่าหรือจองจำเพราะพวกที่เหลือจากถูกฆ่าก็จะเบียดเบียนชนบทในภายหลังเปรียบเสมือนตัวตายตัวแทนโดยที่แท้ควรถอนรากจนผู้ร้ายโดวยวิธีจัดการทางเศรษฐกิจให้ดีคือแจกพืชแ ก, ะกะ่เกษตรกรในชนบทที่อุตสาหะประกอบอาชีพให้ทุนแก่พ่อค้าที่อุตสาหะในการค้าให้อาหาร และค่าจ้างแก่ข้าราชการคือให้ทุกคนมีอาชีพมีรายได้พระราชทรัพย์ก็จะเพิ่มภูนชนบทก็จะไม่มีเสียนน้ำมนุษย์ทั้งหลายก็จะรื่นเริงอุ้มบาทให้ฟ้อนอยู่ที่อกไม่ต้องปิดประตูเรือนเมื่อพระเจ้ามหาวิชิตะทรงทำตามคำแนะนำนั้นก็ได้ผลจึงตรัสเรียกพราหมุโรหิตมา ขอให้สอนเรื่องการบูชามหายั a n พราามปุโรหิตจึงแนะให้ขออนุญาตบูชามหายั a โดยแจ้งให้กษัตริย์ผู้น้อยกว่าที่อยู่ในนิคมชนบทอมารข้าราชบริพารที่อยู่ในนิคมชนบทพรามหาศารที่อยู่ในนิคมชนบทขรืหะเบอร์ดีที่อยู่ในนิคมชนบทได้ทราบเรื่องและอนุญาตให้บูชามหายัน เมื่อส่งปฏิบัติตามนั้นก็ได้รับอนุญาตจากบุคคลทั้งสี่ประเภทเหล่านั้นนี้นับเป็นฝ่ายอนุมัติสี่ซึ่งเป็นเครื่องประกอบของยันนั้นองค์พระเจ้ามหาวิชิตะเองประกอบด้วยคุณสมบัติแปประการคือ 1. มีชาติดี 2. มีรูปงาม 3. มีทรัพย์มาก 4. มีกำลังรบ 5. มีศรัทธาบริจาคทาน 6. สดับตรับฟังมากหรือมีการศึกษาดี 7. รู้ความหมายของภาษิตนั้นๆั้นอธิบายความหมายได้ 8. เป็นผู้ฉลาดมีปัญญาคุณสมบัติ8ประการนี้เป็นเครื่องประกอบของยันนั้นคุณสมบัติของพรามปุโรหิตอีก4คือ 1. มีชาติดี 2. ท่องจำมนได้ 3. ม, มีศีล 4. เป็นผู้ฉลาดมีปัญญาคุณสมบัติสประการนี้เป็นเครื่องประกอบของอยันนั้นรวมเป็น16คือฝ่ายอนุมัติ4คุณสมบัติของพระราชา8คุณสมบัติของปุโรหิต4ต่อไปพระปุโรหิต จึงแสดงถึงยันสประการคือต้องไม่มีความเดือดร้อนใจว่าโภคทรัพ์เป็นอันมาก 1. จากหมดไป 2. กํกำลังหมดไป 3. หมดไปแล้วแล้วพราหมณ์ปุโรหิตได้แสดงถึงการบรรเทาความเดือดร้อนใจของผู้บูชายันที่จะพึงมีในฝ่ายผู้รับทาน1ิบประการคือผู้ฆ่าสัตว์ผู้หลักทรัพย์ ผู้ประพฤติผิดในกามผู้พูดปดผู้พูดส่อเสียดผู้พูดคำหยาบผู้พูดเพ้อเจ้อผู้ละโมบอยากได้ของคนอื่นผู้พยาบาทปองร้ายผู้อื่นผู้เห็นผิดทํานองคลองธทมอาจมาสู่ยันยะพิธีโดยตั้งใจว่ายันนี้อุทิศผู้ที่ปฏิบัติดีตรงกันข้ามกับฝ่ายชั่วสิิประการ เมื่อมีเครื่องประกอบอยัน16ประการดังนี้ก็จะไม่มีผู้ใดกล่าวติเตียนได้โดยธรรมครั้นแล้วได้แสดงวิธีบูชายันต่อไปว่าในยันนั้นไม่มีการฆ่าโคแพะแกะไก่สุกรและสัตว์ต่างๆก็ไม่ต้องถึงความพินาศไม่มีการตัดต้นไม้เพื่อสร้างปราสาทในที่นี้คือเพื่อต้อนรับผู้มาดูพิธี ไม่ต้องเกี่ยวยากคามาเพื่อแวดวงประดับโรงพิธีหรือเพื่อปูลาดกับพื้นพวกทาศกรรมกรก็ไม่ต้องถูกขู่เข็นลงโทษมีหน้านองด้วยน้ำตาทำการงานใครปรารถนาจะทำก็ทำไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องทำเพราะอย่างนั้นสำเร็จด้วยเนยใสยน้ำมันเนยข้นนมส้มน้ำพึ่งน้ำอ้อยผู้ที่เดินทางมาในการนี้ นำเครื่องบรรณาการมาถวายพระเจ้ามหาวิชิตะก็ไม่ทรงรับกลับตรัสให้นำของพระองค์เพิ่มให้กลับไปแต่บุคคลเหล่านั้นไม่นำกลับกลับสละตามคือแจกทานตามพระเจ้ามหาวิชิตะต่างตั้งยันสาลาขึ้นสี่ทิศแจกทานร่วมในการนี้สำหรับสี่ทิศกษัตริ์รทิศบูรพาอมาตทิศทักษิณ พระมหาสารทิศประจิมคฤหบดีทิศอุดรกูตตะธันตปรามกราบทูลถามว่ายังมียันอื่นที่มีการริเริ่มน้อยกว่าแต่มีผลมากกว่ายันสามบริขาร16ที่กล่าวแล้วหรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีก็ถามต่อไปอีกถึงยันที่มีการริเริ่มน้อยกว่าแต่มีผลมากกว่าเป็นการถามตอบหลายวาระ สิ่งที่มีการริเริ่มน้อยกว่าแต่มีผลมากกว่ากันโดยลำดับซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสตอบมีดังนี้ 1. การให้ทานเป็นนิดอุทิศผู้มีศีล 2. การสร้างวิหารหรือที่อยู่อุทิศสง์ที่มาจากสีทิศ 3. การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณนะสี่ การสมทานศีลห้าคือเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดและดื่มสุราเมรยัย 5. การออกบวชประพฤติพรมจรรย์ตั้งอยู่ในศีลสามประเภทบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌานสี่บำเพ็ญปัญญาจนได้วิชาแปดดังกล่าวไว้แล้วในสามัญญพผลลสูตร กูฏาันตพรามมีความเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตปล่อยสัตว์อย่างละเจ0ร้อยหลายประเภทนั้นให้เป็นอิสระและเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาต่อไปคืออนุปุทธะพิกาและอริยสัจสี่ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันพระสูตรนี้ทาให้เห็นว่า เพียงการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะหรือการรักษาศีลห้าก็ยังมีผลมากกว่าการบำเพ็ญมหายันใหญ่โตซึ่งน่าจะเป็นเครื่องเตือนใจผู้คิดทำบุญซึ่งมักจะบ่นว่าไม่มีทุนจะทำบุญให้ทราบว่าบุญนั้นไม่จำเป็นต้องลงทุนเอาทรัพยากรเสมอไปเพียงการรักษาศีลห้าก็เป็นบุญอันสูงกว่านั้น